จะตั้งความปรารถนาอะไรไว้จากกระบวนการอันนี้ครับมันจะพาไป เมื่อเข้าถึงอู๋ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วชาติชีวิตประกอบด้วยวันหนึ่งวันต่อชีวิตหนึ่งมันจะ แต่ไอ้ทุกก่อนผุกำแพงนั้นมือผลัก นามหยด 11 เมื่อรวมตัวเข้าก็กลายเป็นทะเลขึ้น ไอ้นี้มันมันแลกเปลี่ยนกับใครไม่ได้เลย ที่เกิดกับสัตว์สายไปหลายเรื่องเมื่อสะสมต่อไปมันเกิดเห็น ก็ทําหน้าที่ละสติสมาธิทําสายของอารมณ์ของจิตปัญญาทําหน้าที่ละความไม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อละโปรต้นสายแต่เราเข้าใจผิดเราไปเอาเม็ดกรวด ก็อาจารย์ครับเคยเห็นมั้ยครับที่ในวัดนี้ผมเห็นต้นไม้หลายต้นครับดัง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 แล้วก็ถึงก็เราเลยกลานสมาชิกของท่านผู้ใหญ่คนนั้นไปหรือเป็นลูกเป็นหลานนั้นเพื่อนไปเลยก็เชิญมัน ง่ายขึ้นครับขึ้นครับเมื่อเราทําบ่อยเข้าเนี่ยเพียงแต่ก้มลงมาดูใจ เดินทีเดียวนี่ไม่เป็นทางครับแต่เดินซ้ําไปซ้ํามาบ่อยๆเข้าเนี่ยมันเกิดเป็นทางเห็นชัดๆเลยครับเข้าใจมั้ยครับงั้นถ้าเราต้องทําบ่อยทีบ่อยไว้ ตัดเรื่องที่เอามาคิดแล้วมันไม่มีๆนอกนั้นแจกเป็นทางให้ ตะกี้มีหลายคนบนนะผู้ฟังน่าเห็นรบกวนเพราะบางคนสติเริ่มดีขึ้นแต่ว่า 4:00 แล้วตื่นขึ้นมาก็สบชื่นตื่นขึ้นมาก็สดชื่นสติจะติดตั้งผมผมอยากให้จะเป็นไปได้ ทุกคนจะมีห้องของตัวจะมีห้องของตัวถึงถึงเวลาก็นั่งปฏิบัติต่อ จะพยายามมองลูกตาเพื่อนเดี๋ยวมันก็ยิ้มและปฏิบัติ อุคฤตแปลว่าว่าอะไรครับแปลว่าเอาเป็นเอาตายคือเหมือนที่ๆนะคือไม่มีช่องว่างเลยผมเคยเคยแนะๆติดต่อ คือเราเข้าไปให้กินกินเสร็จไม่ต้องล้างยืนเดินเดินก็นั่งนอนนอนขึ้นอยู่อย่างวันๆ7 วันแต่ คือลูบลังซิเลนเดอร์ขึ้นคือดูสละสวยขึ้นเพราะว่าตลอดนี้คําปฏิบัติที่เราปฏิบัตินะฮะมันคลึงๆจริงๆคลึงๆเรื่อยๆ <c oughs> จะดีมั้ยครับเราทวีขึ้นทวีคือปฏิบัติปฏิบัติชิ้นนี้ๆครับถูช้าๆแล้ว ให้หลับไปด้วยจิตดวงสุดท้ายซึ่งรู้สึกตัวซึ่งมันนี้ก่อนจิตดวง นอนเล่นอีกหน่อยก็ได้ครับเล่นอีกหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าพริกมืนคือๆลุกไปล้างหน้าแล้วไปทําๆแล้วเสียงแม่ มีครั้งที่ที่พระเจ้าอชศตรูนะครับโดยการนําของมอชีวคนําเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระสาวก มีพิกเซลพันรูปแต่ทุกรูปรู้สึกตัวดีอยู่นั้นจึงเกิดเห็นพระพันรูปนั่งถึงพระเจ้าวันนั้นถึง นันธรเราสำรวมมาที่ตัวเองนะครับเรา อย่างนี้เรียกสั่นมีจังหวะ แต่ก็ได้จังหวะจับ เดียวกันครับพี่กายประกอบด้วยธาตุน้ําลมและไฟไฟในที่นี้หมายถึงความ ราธินีหรือคอฐานก็ประกอบเหมือนกันในสุนัขก็เหมือนกันร่างกายนี้มีกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเองไปแล้ว ธาตุน้ําที่อยู่ในร่างกายก็จะแตกแยกออกซึมซากไป ดังนั้นเมื่อชีวิตก็มี 2 ส่วนนะโรคก็ต้องแบ่ง 2 ส่วนคือโรคทางกายโรค เกิดอาการขึ้นทางกายเมื่อป่วยทางกายนั้นเราต้องไป แต่ว่าสมุฏฐานต่างกันที่โรคทรงใจส่วนใหญ่คนจะไม่ เจ้าของมันโมโหใครมันตกหน้าเค้าก็ได้แต่ว่ามือ มักจะแปลกันว่าเศร้าหมองมัวหมองนั้นคือเล่ห์นเองที่เรียก ไม่มีทางอื่นเลยมีทางก็ป่วยทางจิตใจด้วยเลยเพราะหมอเองก็ป่วยอยู่ เพราะสนามมนต์สมนต์ลบเปิดประตูห้องที่ จับความรู้ตัวในขณะคลื่นไหวนี่เป็นวิธีรักษารูปทางจิต ถูกปรดใสนราที่ดีไม่ไม่ใช่พระที่เลวแต่พอมันมืดมัวขึ้นมาน่ะมันไม่รู้สวรรค์ไม่<เอ> ตนหมายถึงตายเลยรากเหง้าของกิเลสตัณหาคืออวิชชาคือความ ห้องมืดห้องหลับไม่ไม่ไม่มืดจริงๆนั้นกลางคืนที่เดือนมืด เหมือนพุ่มคือรู้สึกที่ตัวนี้ที่ใจมันหมายนิพพานมันไปทาง ปริมาณน้ําที่หมากมาเนี่ยมันอยู่ข้างในครับที่เรานั่งนี่แหละส่วนที่ตกอันนี้ รู้เห็นเป็นใจคือเราต้องรู้ตัวก่อนแล้วเราเห็นว่าตัวเนี่ยประกอบด้วยกายและจิตอย่างนี้เรียกว่า<ร> <ๆ. S 2> そう、มองคน pouch box box box eleri tree to you Evet, looking at all of them bulun creator, řeka dej dijo registered for the screen. Well, there is often one another one. Let alone think they мест怪, so theyooked the invite. The reason why we knew here is the chilling these evenings are not just the video that we recognize. 근데 I think we know many times about everything. Just that I am caring, I asked Linda to you to come to จำได้อะไรเป็นอะไรรูปนามกายจิตจําได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันๆมันยังไม่ได้เห็นอะไรเนี่ยรู้ดูซื้อพิมพ์เราจริงๆเราไม่ ต่อวันหลังไปถึงจะเองฮะอ้าคนนี้เองแล้วครับพระอาจารย์ คนรู้จักแล้วมันจึงเงียบครับเพราะว่าพอรู้จักของจริงมันไม่มีเรื่องอะไรต้องพูดมากนะไม่จําเป็นไม่ต้องพูดจะไปวัดถึงเทศ ยังนี้คือเรียกรูปมากยากนานคือรู้รู้จนกระทั่งแล้วรูปนามนึงไม่เห็นยังไม่รู้จักมันเข้า ผลลุถึงผลเป็นลำดับส่วนนิพพานนี้ไม่ ไม่ใช่เพราะเราไปถึงโคราชจึงเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นโคราชมีๆแต่มันมีอยู่เรียบร้อย ไป